2. มุจลินทวักหมวดว่าด้วยพญานาคมุจลินหนึ่งมุจลินทสูตรว่าด้วยพญานาคมุจลินข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเมื่อแรกตรัสรู้ประทับอยู่ณควงต้นมุจลินใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราเขตตาบลอุรุเวลาสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคประทับนั่งโดยบัลลังก์เดียวสวยวิมุติสุขอยู่เป็นเวลาเจ็ดวันสมัยนั้นได้บังเกิดเมฆใหญ่ขึ้นในสมัยที่ไม่ใช่ฤดูการเป็นฝนเจือลมหนาวตกพรมตลอดเจ็ดวันลําดับนั้นพญานาคมุจลินได้ออกจากที่อยู่ของตนไปโอบรอบพระวรกายของพระผู้มีพระภาคด้วยขนดเจ็ดรอบ แผ่พังผานใหญ่ปกคลุมเหนือพระเสียรด้วยหวังว่าความหนาวอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคความร้อนอย่าได้เบียดเบี ย, พพบยดดนพระผู้มีพระภาคสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคครั้นล่วงไปเจ็ดวันพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นพญานาคมุจลินรู้ว่าฝนหายปลอดเมฆแล้ว จึงคลายขนดออกจากพระวรกายของพระผู้มีพระภาคจำแรงร่างของตนเป็นมานพยืนประนมมือถวายอภิวาสอยู่ณเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานวิเวกเป็นความสุขของผู้สันโดษผู้มีธรรมปรากฏแล้วผู้เห็นอยู่ ความไม่เบียดเบียนคือความสารวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความเป็นผู้ปราศจากราคะคือความล่วงกามทั้งหลายได้เป็นสุขในโลกความกำจัดอสมิมาณะได้เป็นสุขอย่างยิ่งมุจลินทสูที่หนึ่งจบ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 ได้สนทนาอันตรากถาขึ้นว่าท่านทั้งหลายบรรดาพระราชาสองพระองค์นี้คือพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐกับพระเจ้าเปรเสิทิโกสลพระองค์ไหนมีราชรัพย์มากกว่าโภ้กสมบัติมากกว่าท้องพระคลังมากกว่าแว่นแคว้นมากกว่าราชพานะมากกว่าพระกำลังมากกว่าพระฤทธมากกว่า หรือทรงอนุภาพมากกว่าอันตรากถาของภิกษุเหล่านั้นได้ค้างไว้เพียงเท่านี้ครั้งนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรนเสด็จเข้าไปยังอุปทานาสาลาประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้ได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเวลานี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไร และพูดเรื่องอะไรค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบินทบาทหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วมานั่งประชุมพร้อมกันในอุปทานศาลาได้สนทนาอันตรากถาขึ้นมาดังนี้ว่าท่านทั้งหลายบรรดาพระราชาสองพระองค์นี้คือพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครรัฐ กับพระเจ้าประเซนที่โกรธสลพระองค์ไหนมีราชทรัพย์มากกว่าโภ้คสมบัติมากกว่าท้องพระคลังมากกว่าเว่นแคว้นมากกว่าราชภานะมากกว่าพระกำลังมากกว่าพระฤทธิ์มากกว่าหรือทรงอนุภาพมากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันตรากถานนี้แลที่ข้าพระองค์ทั้งหลายพูดค้างไว้ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตแล้วมัวสนทนาเรื่องอย่างนี้นั้นไม่สมควรเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายนั่งประชุมกันแล้วควรทากิจเพียงสองอย่างคือการกล่าวธรรมหรือความเป็นผู้นิ่งอย่างพระอริยลาดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทรบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานกามาสุขในโลกและที่พยะสุขยังไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งความสุขคือความสิ้นตันหาราชสูตรที่สองจบ ท่านทัูตรว่าด้วยการทำร้ายสัตว์ด้วยท่อนไม้เขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถเบนิกะเศรษฐีเขโครงสาววถีสมัยนั้นเด็กชายจำนวนมากใช้ท่อนไม้ตีงูในระหว่างกรงสาววถีกับพระเชตวันครั้งนั้นในเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินตบาทยังกรงสาวัตถีได้ทอดพระเนตรเห็นเด็กชายเหล่านั้นกำลังใช้ท่อนไม้ตีงูในระหว่างกรงสาวัตถีกับพระเชตวันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้ใดใฝ่หาความสุขเพื่อตน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 ทรงได้จีวรบินตบาทเสนาสนะและคิลานปัจใจเพสัตบริคารแม้ภิกษุสงฆ์ก็เป็นผู้ที่มหาชนสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมได้จีวรบินตบาทเสนาสนะและคิลานปัจใจเพสัตบริคารส่วนพวกอัญญติรธีปริพาชกเป็นผู้ที่มหาชนไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาไม่นอบน้อม ไม่ได้จีวรบินาบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพศสัตว์บริขารครั้งนั้นแหลพวกอัญญะเตระธีปริภาชกทนดูสักการะที่เกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไม่ได้เห็นภิกษุทั้งหลายในบ้านและในป่าย่อมด่าบริพาตเกลียวกราดเบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายที่ไม่ใช่ของสัตว์ปรุษครั้งนั้นแล ภิกษุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ที่มหาชนสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมทรงได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลานปัจัยเพสัตพริคาร แม้ภิกษุสงฆ์ก็เป็นผู้ที่มหาชนสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมได้จีวรบินดบาบเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพศสัตยบริคารส่วนพวกอัญญะเดรธีปริภาชกเป็นผู้ที่มหาชนไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาไม่นอบน้อมไม่ได้จีวรบินบาบเสนาสนะและคิลานปัจัจเพสัตยบริคาร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 พุทธอุทานเธอทั้งหลายได้รับสุขและทุกข์ในบ้านหรือในป่าไม่ควรใส่ใจสุขและทุกข์นั้นว่ามีสาเหตุมาจากตนหรือคนอื่นผัสสะทั้งหลายจะสัมผัสได้ก็เพราะอาศัยอุปทิเมื่อไม่มีอุปธิผัสสะทั้งหลายจะสัมผัสได้อย่างไรสักกระสูตรที่สจบ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 ครั้นทากิจที่จะต้องทำในกรุงสาวัตถีเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอุบาสกนั้นดังนี้ว่านานเหลือเกินอุบาสกท่านจึงมีเหตุมานะที่นี้ได้อุบาสกนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ประสงค์จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคนานแล้วพระพุทธเจ้าค่าแต่ว่าข้าพระองค์มัวขนควายกับกิจที่จะต้องทำบางอย่างจึงไม่สามารถเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเป่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานความสุขย่อมมีแก่บุคคลผู้ไม่มีอะไร ผู้มีธรรมอันนับได้แล้วเป็นพหูสูตท่านจงดูคนที่มีกิเลสเครื่องกังวลกำลังเดือดร้อนอยู่เพราะคนที่มีความผูกพันกับคนอื่นย่อมเดือดร้อนอุปาส ก, กสูตรที่ห้าจบ ขับพิณีสูตรว่าด้วยหญิงมีคันข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถเบนิกะเศรษฐีเขตรุงสาววทีสมัยนั้นพันยาของปริพาชกคนหนึ่งเป็นมานวิกาวัยสาวมีคันแก่ใกล้คลอดครั้งนั้น นางปริพาชิกานั้นได้กล่าวกับปริพาชกนั้นดังนี้ว่าพราหมณ์ท um ่านจงไปนําน้ํามันมาเตรียมไว้เพื่อที่ฉันในเวลาคลอดเมื่อนางปริพาชิกากล่าวอย่างนี้ปริพาชกนั้นจึงกล่าวกับนางปริพาชิกาดังนี้ว่าแม่นางฉันจะนําน้ํามันมาจากที่ไหนเล่าแม้ครั้งที่สองนางปริพาชิกาก็ได้กล่าวกับปริพาชกดังนี้ว่าพราหมณ์ ท่านจงไปนําน้ํามันมาเตรียมไว้เพื่อดิฉันในเวลาคลอดปริภาชกเรียกกล่าวกับนางปริภาชิกาดังนี้ว่าแม่นางฉันจะนําน้ํามันมาจากที่ไหนเล่าแม้ครั้งที่สานางปริภาชิกาก็ได้กล่าวกับปริภาชกดังนี้ว่าพราหมณ์ท่านจงไปนําน้ํามันมาเตรียมไว้เพื่อดิฉันในเวลาคลอดสมัยนั้น เจ้าหน้าที่พระคลังได้ถวายเนยใสบ้างน้ำมันบ้างในท้องพระคลังของพระเจ้าเปเสินธิโคสลแก่สมณะบ้างแก่พราหมณ์บ้างให้ดื่มจนพอไม่ให้เพื่อนําออกไปครั้งนั้นปริพาชกนั้นมีความคิดดังนี้ว่าเจ้าหน้าที่พระคลังได้ถวายเนยใสบ้างน้ำมันบ้างในท้องพระคลังของพระเจ้าเปเสนธิโคสลแก่สมณะบ้างแก่พราหมณ์บ้างให้ดื่มจนพอ ไม่ให้เพื่อ น, นำออกไปทางที่ดีเราควรไปท้องพระคลังของพระเจ้าระเสนทิโกสนดื่มน้ำมันจนพอแล้วกลับมาเรือนสํารอกน้ำมันออกมาเตรียมไว้เพื่อนางปริภาชิกาในเวลาคลอดครั้งนั้นปริภาชกนั้นได้ไปยังท้องพระคลังของพระเจ้าปเะเสนทิโกสนดื่มน้ำมันจนพอแล้วกลับมาเรือนไม่สามารถนาออกข้างบนทางปากได้ ไม่สามารถนำออกข้างล่างถ่ายออกได้เขาได้รับทุกขเวทนากล้าแข็งเจ็บปดวดเผ็ดร้อนจึงกระสับกระส่ายนอนกลิ้งไปมาครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปเพื่อบินทบาทยังกรุงสาวัตถีได้ทอดพระเนตรเห็นปริภาชกนั้นได้รับทุกขเวทนากล้าแข็งเจ็บปดวดเผ็ดร้อนกระสับกระส่าย นอนกลิ้งไปมาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานคนทั้งหลายผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลย่อมเป็นผู้มีความสุขแท้จริงก็คนทั้งหลายที่เป็นผู้จบเวทชื่อว่าผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลท่านจงดูคนที่มีกิเลสเครื่องกังวลกําลังเดือดร้อนอยู่ เพราะคนที่มีความผูกพันกับคนอื่นย่อมเดือดร้อนคับพิณีสูตรที่6จบเจ็ดเอกปุตตะสูตรว่าด้วยอุบาสกมีบุตรน้อยคนเดียว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นบุตรน้อยคนเดียวของอุบาสกคนหนึ่งผู้น่ารักน่าพอใจได้ตายจากไปครั้งนั้นอุบาสกจํานวนมากมีผ้าเปียกผมเปียกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในเวลาเที่ยงวัน ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับอุบาสกเหล่านั้นดังนี้ว่าอุบาสกทั้งหลายมีเรื่องอะไรหรือท่านทั้งหลายมีผ้าเปียบผมเปียบเข้ามาที่นี่ในเวลาเที่ยงวันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้อุบาสกนั้นจึงกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค บุตรน้อยคนเดียวของข้าพระองค์ผู้น่ารักน่าพอใจได้ตายจากไปเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายจึงมีผ้าเปียกผมเปียกเข้ามาที่นี่ในเวลาเที่ยงวันพระพุทธเจ้าค่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานเทวดาและมนุษย์จานวนมาก พากันเพลิดเพลินยึดติดในรูปที่น่ารักจึงระทมทุกข์เสื่อมหมดสิน้นตกอยู่ในอำนาจของมัจจุราชแต่คนเหล่าใดไม่ประมาททั้งกลางวันและกลางคืนและรูปที่น่ารักได้คนเหล่านั้นย่อมขุดขึ้นได้ซึ่งมูลเหตุแห่งทุกข์ที่เป็นเยือของมัจจุราชและที่ร่วงพ้นได้ยากเอกปุตตะสูที่เจ็จบ สุปวาสาสูตรว่าด้วยพระนางสุปวาสาเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่ากุ ธ, ธิธานวันใกล้หมู่บ้านกุลทิยาสมัยนั้นพระนางสุปวาสาโกริยธิดาทรงคันอยู่ถึงเจดปีมีพระคันหลงอยู่ถึงเจ็ดวัน พระนางได้รับทุกเขเวทนากล้าแข็งเจปป็บปวดเผ็ดร้อนแต่ทรงอดกลั้นไว้ด้วยความตรึกสามประการคือ 1. พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบทรงแสดงธรรมเพื่อละทุกข์เห็นปานนี้ 2. พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติเพื่อละทุกข์เห็นปานนี้ 3. พระนิพพานซึ่งไม่มีทุกข์เห็นปานนี้เป็นสุขดีอย่างแท้จริงครั้นต่อมาพระนาวสุปวารสาโกลยธิดาได้ทูลเชิญพระราชสวามีมาตรัสว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระองค์เสด็จมานี่เถิดพระองค์จงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทพระยุ ค, คลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าว แล้วจงทูลถามถึงสุขภาพว่ามีโรคาพาพน้อยกระปี้กระเปา่ามีพระพารณาไมยสมบูรณ์อยู่สําราญตามคําของหม่อมฉันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนางสุปวารสาโกริยทิดาขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวพร้อมกับทูลถามถึงสุขภาพว่ามีโรคาพาพน้อยกระปรี้กระเปา่า มีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญอันหนึ่งขอพระองค์จงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนางสุปวาสาโกลิยธิดาทรงคันอยู่ถึงเจปีมีคันหลงอยู่ถึงเจวันพระนางได้รับทุกขเวทนากล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนแต่ทรงอดกลั้นไว้ได้ด้วยความตรึกสามประการคือหนึ่งพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้น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 ถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนางสุปวาสาโคลิยะธิดาขอถวายอภิวาทพระยุโคลบาของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวพร้อมกับทูลถามถึงสุขภาพความมีโรคขพาพน้อยกระปรี้กรเปรา่ามีพระพารณมัยสมบูรณ์อยู่สําราญอันหนึ่ง พระนางยังรับสั่งอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนางสุปวาสาโกริยทิดาทรงคันอยู่ถึงเจปีมีพระคันหลงอยู่ถึงเจวันพระนางได้รับทุกเวทนากล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนแต่ทรงกลั่นไว้ได้ด้วยความตรึกสามประการคือหนึ่งพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ทรงแสดงธรรมเพื่อละทุกข์เข็นปานนี้ 2. พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติเพื่อละทุกข์เข็นปานนี้ 3. พระนิพพานซึ่งไม่มีทุกข์เข็นปานนี้เป็นสุขดีอย่างแท้จริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอพระนาวสุปวาสาโกริยทิดาจงมีสุขอย่ามีโรคเลย ขอจงประสูตรโอรสผู้ไม่มีโรคด้วยเถิดด้วยพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคนั่นแลพระนางสุปวาสาโกลิยะธิดากอทรงพระกระเสมิสำราญหายจากพระโรคประสูตรพระโอรสผู้ไม่มีโรคพระราชบุตรพระเจ้าโกลิยะนั้นทูนรับว่าขอจงเป็นอย่างนั้นเถิดพระพุทธเจ้าค่ะแล้วทรงยินดีชื่นชมพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาค เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคทรงทำประทักษิณแล้วเสด็จกลับพระราชนิเวศของพระองค์ได้ทรงเห็นพระนางสุปวาสาคุริยธิดาทรงพระเกษมสําราญหายจากพระโรคประสูติพระโอรสผู้ไม่มีโรคครั้นทรงเห็นแล้วได้เกิดความอัศจรรย์พระไทยขึ้นมาว่าหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏ พระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงพระนางสุปวาสาโกิยธิดานี้คงจากทรงพระเกษมสำราญหายจากพระโรคประสูติพระโอรสผู้ไม่มีโรคด้วยพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคนั่นแลเป็นแน่แท้จึงทรงดีพระไทยเบิกบานทรงเกิดปีติโสมนัตอย่างยิ่งครั้นต่อมาพระนางสุปวาสาโริยธิดา ได้ทูลเชิญพระราชสวามีมาตรัสว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระองค์เสด็จมาที่นี่เถิดพระองค์จงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทพระยุ ค, คลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวกราบทูลตามคาของหม่อมฉันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนางสุปวาสาโกริยธิดา ขอถวายเอาพิวาพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวอันหนึ่งขอพระองค์จงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนางสุปวาสาโคริยธิดาทรงคันอยู่ถึงเจปีมีคันหลงอยู่ถึงเจ็วันบนัดนี้พระนางทรงพระเกษมสําราญหายจากพระโรคประสูติพระโอรสผู้ไม่มีโรค พระนางจึงขอนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานชั้นพัตหารเป็นเวลาเจวันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตหารของพระนางสุปวาสาโกริยธิดาตลอดเจวันเถิดพระราชบุตรพระเจ้าโกริยะนั้นทรงรับคำของพระนางแล้วเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ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 มีพระคันหลงอยู่ถึงเจ็ดวันบัดนี้พระนางทรงพระกระเสมิฐสำราญหายจากพระโรคประสูติพระโอรสผู้ไม่มีโรคพระนางจึงขอนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานฉันพัตหารเป็นเวลาเจวันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตหารของพระนางสุปวาสากริยธิดาตลอดเจวันเถิด อันหนึ่งเวลานั้นอุบาสกคนหนึ่งได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานฉันพัตหารในวันรุ่งขึ้นไว้ก่อนแล้วและอุบาสกนั้นเป็นยมอุปถาก ข, ของท่านพระมหาโมคลานะทีนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกท่านพระมหาโมคลานะมาตรัสว่ามาเถิดโมคลานะเธอจงเข้าไปหาอุบาสกนั้นถึงที่อยู่ ครั้นแล้วจวงพูดกับเขาอย่างนี้ว่าพระนางสุปวาสาโกริยทิดาทรงคันอยู่ถึงเจปีมีพระคันหลงอยู่ถึงเจวันบัดนี้พระนางทรงพระเกษมสำราญหายจากพระโรคประสูติพระโอรสผู้ไม่มีโรคพระนางจึงนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานฉันปตหารเป็นเวลาเจวันขอให้พระนางสุปวาสาโกริยทิดา จัดอาหารถวายตลอดเจ็ดวันเถิดหลังจากนั้นอุบาสกผู้เป็นโยมอุปถาของเธอจึงจัดอาหารถวายท่านพระมหาโมคลานะทูลรับสนองพระดารัสแล้วจึงเข้าไปหาอุบาสกนั้นถึงที่อยู่ได้กล่าวดังนี้ว่าพระนางสุปวาสาโคลิยธิดาทรงคันอยู่ถึงเจ็ปีมีพระคันหลงอยู่ถึงเจ็วันบนัดนี้พระนางทรงพระเกษมสาราญ หายจากพระโรคประสูติพระโอรสผู้ไม่มีโรคพระนางจึงทรงนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานฉันพระตาหารเป็นเวลาเจ็ดวันขอให้พระนางสุปวาสาโคลิยติดาจัดอาหารถวายตลอดเจวันเถิดหลังจากนั้นท่านจึงจัดอาหารถวายอุบาสกนั้นกราบเรียนว่าท่านขอรับ ถ้าพระคุณเจ้ามหาโมคลานะจะเป็นผู้ค้ำประกันทำสามประการคือโภคกสมบัติชีวิตและศรัทธาของกระผมได้ก็ขอพระนางสุปวาสาโกริยธิดาทรงจัดอาหารถวายตลอดเจวันเถิดหลังจากนั้นผมจึงจัดอาหารถวายท่านพระมหาโมคลานะจึงพูดว่าอาตมาภาพขอค้ำประกันทำสองประการคือโภคกสมบัติและชีวิตของท่าน ส่วนศรัทธาท่านต้องค้ำประกันเองอุบาสกนั้นกราบเรียนว่าท่านขอรับถ้าพระคุณเจ้ามหาโมคลานะจะเป็นผู้ค้ำประกันทำสองประการคือพภกสมบัติและชีวิตของกระผมได้พระนางสุปวาสาโกริยธิดาทรงจัดอาหารถวายตลอดเจ็ดวันเถิดหลังจากนั้นผมจึงจัดอาหารถวายครั้งนั้นท่านพระมหาโมคลานะ ให้อุบาสกนั้นยินยอมแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเดียกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ให้อุบาสกนั้นยินยอมแล้วขอพระนางสุ ป, ปวาสาโกริยธิดาจัดอาหารถวายตลอดเจวันเถิดหลังจากนั้นอุบาสกนั้นจึงจัดอาหารถวายครั้นแล้วพระนางสุ ป, ปวาสาโกริยธิดา ทรงนำของขบฉันอันประณีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มน้ำด้วยตนเองตลอดเจ็ดวันและทรงให้พระโอรสน้อยนั้นถาวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคและไหว้ภิกษุสงฆ์ทุกกลุก่ครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรกล่าวกับพระโอรสน้อยนั้นดังนี้ว่าพระโอรสน้อยพระองค์ทรงพระเกษมสําราญดีหรือทรงพอดํารงอยู่ได้หรือ ไม่มีทุกอะไรหรือพระโอรสน้อยนั้นรัสตอบว่าท่านพระสารีบุตรขอรับกระผมอยู่ในคันเปื้อนโลหิตถึงเจ็ดปีจะสบายแต่ที่ไหนต่อจากนั้นพระนางสุปวาสาโรลยธิดาทรงดีพระไทยชื่นชมเกิดปิติสมนัตว่าบุตรของเรารู้จักสนทนากับท่านพระธรรมเสนาบดีที่นั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระนางสุปวาสาโกริยธิดาทรงดีพระไทยชื่นชมเกิดปิติสมนัตจึงได้ตรัสกับพระนางดังนี้ว่าสุปวาสาเธอยังปรารถนาจะมีพระโอรสเช่นนี้อีกหรือไม่พระนางกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญข้าพระองค์ยังปรารถนาจะมีพระโอรสเช่นนี้อีกเจ็ดพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานสิ่งที่ไม่น่ายินดีย่อมครอบงำคนผู้ประมาทด้วยอาการที่น่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารักย่อมครอบงำคนผู้ประมาดด้วยอาการที่น่ารักสิ่งที่เป็นทุกข์ย่อมครอบงำคนผู้ประมาทด้วยอาการที่เป็นสุข สุปวาวสาสูที่8ดจบเก้าวิสาขาสูตรว่าด้วยนางวิสาขาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยูนะ่ณบุพารามปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาเขครุงสาวถีสมัยนั้นนางวิสาขามิคารมาตามีประโยชน์บางอย่างเกี่ยวข้องในพระเจ้าเปรติโกสลแต่พระเจ้าเปรติโกสนไม่ทรงยังประโยชน์นั้นให้สำเร็จตามความประสงค์ครั้งนั้นในเวลาเที่ยงวัน นางวิสาขามิคารมาตาจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับนางวิสาขาดังนี้ว่าวิสาขาเธอมาจากไหนแต่ที่องวันนางกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาส ข้าพระองค์มีประโยชน์บางอย่างที่เกี่ยวข้องในพระเจ้าประสิทธิโกศลแต่พระเจ้าประสิทธิโกศลไม่ทรงยังประโยชน์นั้นให้สำเร็จตามความประสงค์เลยพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานประโยชน์ทั้งปวงอยู่ในอานาจผู้อื่นก่อให้เกิดทุกข์ ความเป็นอิสระทั้งปวงก่อให้เกิดสุขสัตว์ทั้งหลายเมื่อยังมีประโยชน์ทั่วไปอยู่ย่อมเดือดร้อนเพราะโยคะทั้งหลายเป็นสิ่งที่ก้าวล่วงได้ยากวิสาขาสูตรที่ก้าจบ พัทยสูตรว่าด้วยพระพัทยเทระเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอนุปิยอัมภวันสมัยนั้นท่านพระพัทยากาลิโคทาบุตรเมื่ออยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่ควงไม้ก็ดีหรืออยู่ในเรือนว่างก็ดีก็เปล่งอุทา น, นเนึองเนืองว่าสุขหนาะสุขหนอ ภิกษุจํานวนมากได้ฟังท่านพระพัทถยากาลิโคทาบุตรเมื่ออยู่ในป่า ก, ก็ดีอยู่ที่ควงไม้ก็ดีหรืออยู่ในเรือนว่างก็ดีก็เปล่งอุทานเ น, อเนืองว่าสุขหนาะสุขหนอภิกษุเหล่านั้นครั้นได้ฟังแล้วจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านพระพัทถยากาลิโคทาบุตรไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์นแน่ เพราะเคยได้รับความสุขในราชสมบัติเมื่อครั้งเป็นคารวาสแล้วท่านคงหวนระลึกถึงความสุขนั้นเมื่ออยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่ควงไม้ก็ดีหรืออยู่ในเรือนว่างก็ดีก็เปล่งอุทานเนืองๆว่าสุขหนอสุขหนอต่อมาภิกษุเหล่านั้นพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณนะที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่า ข่าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระพัติยากาลิโคทาบุตรเมื่ออยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่ควงไม้ก็ดีหรืออยู่ในเรือนว่างก็ดีก็เปล่งอุทานหนึ่งเนืองว่าสุขหนอสุขหนอะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระพัติยะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์แน่ๆเพราะเคยได้รับความสุขในราชสมบัติเมื่อครั้งเป็นครว่าต์แล้วท่านคงหวนระลึก ถ, ถึงความสุขนั้น เมื่ออยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่ควงไม้ก็ดีหรืออยู่ในเรือนว่างก็ดีก็เปล่งอุทานเนืองๆว่าสุขหนอสุขหนอครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่าภิกษุเธอจงไปเรียกภิกษุชื่อพัทธิยะมหาเราว่าท่านพัทธิยะพระาศาสดามีรับสั่งหาท่านภิกษุนั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้ว เข้าไปหาท่านพระพัติยะกาลิโคทาบุตรถึงที่อยู่ได้กล่าวกับท่านพระพัติยะดังนี้ว่าท่านพัติยะพระาศาสดามีรับสั่งหาท่านท่านพระพัติยะกาลิโคทาบุตรรับคําของภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านดังนี้ว่าพัติยะ ทราบว่าเธอเมื่ออยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่ควงไม้ก็ดีหรืออยู่ในเรือนว่างก็ดีก็เปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอจริงหรือท่านพระพัทถยากาลิโคทาบุตรทูลตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตร ถ, ถามว่าพัทถยะก็เธอมองเห็นประโยชน์อะไรเมื่ออยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่ควงไม้ก็ดี หรืออยู่ในเรือนว่างก็ดีจึงเปล่งอุทานเนืองๆว่าสุขนอสุขนอท่านพระพัติยะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยเมื่อข้าพระองค์เป็นคารวาดสวยความสุขในราชสมบัติได้รับการอรารักขาคุ้มครองอย่างดีทั้งภายในวังได้รับการอรารักขาคุ้มครองอย่างดีทั้งภายนอกวังได้รับการอรารักขาคุ้มครองอย่างดีทั้งภายในเมือง ได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีทั้งภายนอกเมืองได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีทั Whoa ้งในชนบทได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีทั้งนอกชนบทข้าพระองค์นั้นถึงจะได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีเช่นนี้ก็ยังกลัวยังหวาดวันระแวงสะดุ้งอยู่แต่เวลานี้ข้าพระองค์เมื่ออยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่ควงไม้ก็ดี หรืออยู่ในเรือนว่างก็ดีเพียงผู้เดียวก็ไม่กลัวไม่หวาดวันไม่ระแวงไม่สะดุ้งมีความปรารถนาน้อยไม่ขนลุกขนพองดารงชีวิตด้วยปัจจัยที่ผู้อื่นให้มีจิตอิสระดุดมรึกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เห็นประโยชน์อย่างนี้เมื่ออยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่ควงไม้ก็ดีหรืออยู่ในเรือนว่างก็ดีจึงเปล่งอุทา น, นเนืองว่า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 ไม่เศร้าโศกภัทยสูตรที่สิบจบมุจลินทวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งมุจลินทสูตรสองราชาสูตรสทันทสูตรสสักกะสูตรหอุปัสกะสูต ร, ต ร, ร, ต ร, ร, ตร 6. คาพิณีสูตรเจ เอกปุตตะสูตร 8. สุปวาสาสูตร 9. วิสาขาสูตร 10. บพัทยสูตร